ที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็จะหมดโอกาสแสดงผลและกลายเป็นอโหสิกรรมไปตกลงว่ามีความหมายที่ไปกันได้